คิดอย่างนี้ก็ได้นะวโลกเนี่ยคือการประชุมของท่าสิบแปดโลกที่เดินได้ยืนได้นั่งได้นอนได้กินดื่มเคี้ยวลิ้มเป็นต้นคือโลกของท่าสิบแปดที่ประชุมกันประชุมกันเรียนอย่างนี้บอกไม่ยากแต่ว่าเอาไปคิดแล้วจริงจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอันนี้ให้เห็นตามอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนว่าสอนเอาไว้อย่างเนี้ยใจมันไม่ค่อยจะยอมรับเลยนะสัมมาทิฏฐิไม่ค่อยจะยอมเกิดเลยนะ อะไรเกิดแทนถ้าสัมมาทิฏฐิไม่เกิดตรงกันข้ามมิชาทิฏฐิสัตตะสัญญาก็เกิดเอาเกิดเอาเนะถ้าเจริญสัตตะสัญญาแล้วเราได้ดีนะสงสัยบรรลุมรรคผลกันหมดแล้วล่ะใช่ะแต่ว่าสัญส ญ, ญามนุิการโดยความเป็นธาตุล่ะเนะคนไม่ค่อยเอาไปเจริญในในชีวิตที่ที่แท้จริง และก็สรุปบทเรียนนี้ในเฉพาะการทำปริญญาเรื่องธาตุก็ ค, คือคิดถึงหมูหมากาไก่คิดถึงใครก็ตามเถอะพี่น้องญาติสตรูคู่รักอะไรก็ทั้งเถอะสงเคราะห์โดยความเป็นธาตุสิบแปดให้ได้เนี่ยนะธาตุสิบแปดให้ได้้าขยายแต่ละธาตุไปเป็นแบบธาตุสี่สิบสองอีกต่อไปก็ยิ่งดีเนี่ยนะไปใส่ใจโดยความเป็นนะ่ะธาตุสี่สิบสองกันเป็นอ่ กายธาตุเนี่ยคือตัวที่กระจายมากที่สุดคือกายธาตุกายคือผมกายคือเล็บกายคือฟันกายคือหนังกายคือเนื้อกายคือเอ็นกายคือกระดูกกายคือเยื่อในกระดูกกายคือไตกายคือหัวใจกายคือตับกายคือปอดแล้วก็กายเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรต่อไปอีกบ้างกายเหล่านั้นประกอบด้วยทาไมเป็น สรว่ากายเหล่านั้นเนี่ยนะกายคือผมประกอบด้วย อ, อะไรหนึง่งสองใช่แล้วคุณจำลองวักโลแบทบ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 มันสมองในกะโหลกศรีรษะนะส่วนไอ้ที่อื่นไม่ค่อยเรียกว่ากายเท่าไหร่ใช่ไหมอุจา ร, ระปัสสาวะเราก็ไม่ค่อยเรียกว่ามันกายนะเพราะว่ามันไม่มีกายยะปัสสาทะก็เอาเฉพาะส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับกายยะประสาทะอยู่ก็มาใสา่ใจแยกแยะอย่างนี้ถ้าแยกแยะส่วนของรูปธรรมได้มากเท่าไหร่เน้อนามธรรมาก็จะค่อยชัดเองเนี่ยนะค่อยชัดไปเรื่อยๆแต่ถ้าโลกของรูปธรรมไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่นามธรรมาก็ยากเนี่ยนะ แต่ก็ไม่เป็นไรเราก็ท่องเอาก็ได้นนแหะมั น, นไม่ไหวจริงๆเราก็จำจำเอานะเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะน่ต้องรู้จนได้นั่นแหละถ้ายังอยู่ในวัตฏะตราบใดก็ต้องเรียนจนรู้นะถ้าจะได้ออกจากวัตฏะตราบนั้นคือวิชาธรรมะเนี่ยเป็นวิชาที่ว่ายังไงก็ต้องเรียนคุณไม่เรียนชาตินี้คุณก็เรียนชาติหน้ากัแล้วกัน <c ười> ไม่เรียนพระพุทธเจ้าองค์นี้ก็รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ก็แล้วกันเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใหม่คุณไม่เรียนคุณก็ต้องเรียนอยีกวันยังค่ําถ้าคุณคิดจะออกจาก วัตตะแต่ถ้าไม่ออกวัตตะ น, นะก็อยู่ต่อไปก็ไม่ต้องไปเรียนให้มันหนักใจอะไรเนี่ยนะแต่เชื่อไหมไปคิดเรื่องอื่นหนักใจกว่านี้เยอะคิดเรื่องธาตไม่ค่อยหนักใจหรอกแต่คิดอย่างอื่นนะ่าหนักใจมากเลยแปลกนะคิดอริยศาสตร์เนี่ยยินะย่งคิดแล้วยิ่งสบายใจแต่ถ้าลองคิดให้มันกลับสัจจะดูนะเริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะโอ้ลาบากใจมากๆเลยถ้าคิดกลับกันกับอริยศาสตร์แต่ถ้าคิดตามหลักอริยศาสตร์นะเออมียิ่งคิดยิ่งเย็นยิ่งคิดแล้วยิ่งเบายิ่งคิดแล้วยิ่ง สบายคิดแล้วมีความสุขเนี่ยนะอย่างการคิดตามตามธาตุเนี่ยนะคิดโดยความเป็นธาตุเนี่ยถ้าใส่ใจมากเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่ยิ่งจะสบายใจเนะี่ยนึกถึงใครก็ใส่ใจโดยความเป็นธาตุนึกถึงภายในก็ใส่ใจโดยความเป็นธาตุถ้านึกถึงภายในเนี่ยนะอย่างเช่นก็ เล่าให้ฟังตรงๆนะบางครั้งถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนะก็มานั่งสาธยายจักขุทาตุรูปะาตุจักขุวิญญาณะทาตุเราสาธยายไปแล้วก็นึกไปด้วยใช่ไหมก็มีใครห้ามเราเนี่ยเราก็สาธยายของเราไปะนะโสตทาตุสาาัทธะทาตุโสตวิญญาณะทาตุแต่ว่าไม่ใช่สาปากก็ว่าไปอย่างใจก็คิดอีกเรื่องหนึ่งนะไม่ใช่นะไม่ใช่แบบในมีเรื่องพระเถระอยูรูปหนึ่งเชื่อว่าท่านกัสปะโคดท่านไปอยู่ในป่า ปฏิบัติเป็นพระที่เคร่งครัดแล้วก็ได้อภิญญาด้วยท่านมีฤทธิ์ในท่านก็พักอยู่ในป่าใช่ไหมในบริเวณที่ท่านอยู่เนี่ยเนื้อมันเยอะเนี่ยนะเนื้อมันเยอะมากก็มีในพรานคนหนึ่งก็ถือหอกกันนะเนื้อสมัยก่อนเชื่องมากเลยนะถือหอกอะไรทิ่มได้แล้วแล้วก็เลยพรานคนนี้ก็เลยถือถือหอกอันหนึ่งก็วิ่งตามไปจะเตรียมจะจิ้มเนื้ออนะี่ยเตรียมจะแทงเลยก็ไปเห็นพระเถระเข้าพระเถระก็เลยบอกว่า ห้ามไม่ให้เขาไล่ใช่ไหมก็เลยเนรมิตไฟขึ้นมาดวงหนึ่งที่มือเป็นไฟลุกโพลงที่นิ้วมือนะในพรานเห็นก็แปลกใจก็เลยยืนดูสัหน่อยยืนพอยืนดูปับ๊บพระเถระก็เลยเนรมิตพอเห็นเขาโอ้ตั้งใจดูก็เลยแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมให้ฟังเนี่ยนะไอ้ไอ้ในพรานก็คิดนะโห้ไฟตาก็ดูไฟหูก็ได้ยินเสียงแต่ใจอ่ะนะคิดเรื่องอะไรรู้ไหม เนื้อตัวนั้นนะถ้าเราแทงได้นะส่วนหนึ่งเราจะต้องติ้งกินเย็นนี้แล้วเราก็ที่เหลือเราจะหาไปให้ลูกมีเอาไปขายเนี่ยนะใจนี้คิดแต่เรื่องนั้นทีนี้พระเนี่ยท่านท่านก็มัวแต่เทศนะท่านก็สายใจเทศไปเทศแตยาวเทวดาอดทายทำใจไม่ได้เทวดามาบอกเขาว่าพระคุณเช่าไอ้นายพรานเนี่ยนะตาเขาก็เห็นไฟที่เนรมิตรให้หูเขาไม่ได้ยินเสียงแต่ใจของเขาเนี่ยไปคิดถึงเนื้อประโยชน์อะไรที่จะไปแสดงให้เขาฟัง ตอนหลังท่านก็สังเวทใจก็เจริญวิปัสนาตอนหลังก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นี่ก็เหมือนกันนะจากรครูทาตุกก็ไม่ใช่นึกที่ไหนก็ไม่รู้นะงั้นถ้านึกถึงจักรครูทาตุเมื่อไหร่ก็ต้องนึกถึงตาของเรารูปประทาตุก็นึกถึงสีสีอะไรก็ได้ในโลกเนี่ก็มีแต่ไอ้สิ่งที่ลืมตามองเห็นก็คือภาพทั้งหมดนั้นเรียกว่ารูปประธาตุการเห็นคือ จากขูวิญญาณธาตุก็มีไงก็สาธยายแบบนี้สาธยายแบบด้วยนึกตามไปด้วยเนี่ยนะสาธยายไปด้วยนึกตามไปด้วยเช่นสายทยายทวารหูก็โสตธาตุเสียงที่เราสาธยายนั้นก็เป็นสัตธาตุการได้ยินก็เป็นโสตวิญญาณธาตุจมูกของเราเวลาเรารู้กลิ่นยังไก็คานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุเนี่ยนะทวารลิ้นอะ อย่างอมยาเม็ดอมนี้ก็ชิวหาธาตุราสาธาต์ชิวหาวิญญาณธาตุภวังกายกายธาตุโพธาตุธาตุ่วนไหนโพธาตธาตุแล้วแต่มนสิกาลมนสิกาลตรงไหนมันเกิดตรงนั้นเนะเขาบอกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งปรากฏที่ไหนบอกที่มันนึกนึกเมื่อไหร่มันก็ปรากฏตรงนั้นแหละนนะ นึกส่วนไหนมันก็เกิดส่วนนั้นนะนึกที่เท้ากายวิญญาณธาตุก็ไปเกิดที่เท้านึกที่แขนกายวิญญาณธาตุก็เกิดที่แขนนึกส่วนไหนนักายวิญญาณธาตุเกิดส่วนนั้นถ้ายิ่งโพธพาธาตุไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยนะนึกตรงไหนก็อย่างคนไม่สบายเนี่ยนึกตรงไหนก็ปวดไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นกายวิญญาณธาตุเกิดทั่วสารพังกายก็สาธยายกายธาตุโพธพธาตุกายวิญญาณธาตุแล้ว มโนธาตุล่ะมโนธาตุสาธยายว่าไงดีก็ตัวที่นึกก่อนที่จะเห็นก่อนที่จะรับอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยนะถ้ามโนธาตุเหล่านั้นไม่ทากิจนะไม่ทำอาวัชนะกิจนะการเห็นการได้ยินเกิดไม่ได้ถ้ามโนธาตุไม่รับอารมณ์เนี่ยนะคือสัมปติชนะไม่รับอารมณ์ชาวนะจิตก็เกิดไม่ได้เป็นต้นเนี่ยนะเกิดไม่ได้แล้วธรรมธาตุล่ะธรรมธาตุ ธรรมธาตุครึ่งหนึ่งเป็นรูปอีกครึ่งหนึ่งเป็นเป็นนามมโนวิญญาณธาตุแบ่งออกเป็นอ่าวิญญาณมโนวิญตัวจิตเนี่ยนะแบ่งเป็นวิญญาณธาตุเจ็ประการก็สิ่งเหล่านี้นะจะชํานาญได้ต่อเมื่อเราเอามาท่องบ่อยๆมาสาธยายบ่อยๆทีนี้ถ้าท่องบ่อยสาธยายบ่อยแล้วก็พิจารณาปัดอ่าองค์ประกอบพร้อมทั้งปัดใจได้มากเท่าไหร่นะสาธยายอาทิตตะปะยา ย, ยสูตรก็ชัก เข้าใจทราบซึ่งมากขึ้นใช่ไหมจากคู่เป็นของฮอนอย่างเงี้ยนะครได้เลยใช่ไหมชาวโยมชาวเชียงฮ่าชาวลําปางเข้ามากับว่าจะอู้กําเมืองได้ก่อดว่างั้นก็น <c oughs> <c oughs> ได้พอ <c oughs> พอแค่นั้นแหละ <c oughs> คุยเป็นการเป็นงานไม่ได้ <c oughs> นะครับเขาชาวลําปางไงยอมไม่เช้าชาวลําปาง โอ้กำเมืองกับตุเจ้าเฉยเลยก <c oughs> ็มาสาธยายนะว่าตาเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกักรวิญญาณเป็นของร้อนร้อนแบบคนที่ได้ทำพื้นปริญญาพื้นเพเบื้องหลังกับร้อนแต่ว่ามันเย็นเห็เนไหมก็นคนละอย่างกันนะ ไอร้อนแต่เย็นนี่เป็นยังไงคือคื อ, คอปากว่าสาธยายไปว่ามันร้อนแต่ใจจริงๆเอ๊ะมันก็ไม่เห็นร้อนอะไรนี่มันก็ยังดีอยู่ในคำว่าร้อนแบบเย็นเหมือนกันอันนี้ก็แต่เย็นแบบร้อน <laughs> บบอน่ะก็ก <ist Ó. S 1> ็ถึงจะอยู่แบบสบายแต่ไข้ครควญว่ามันเป็นของร้อนร้อนอยังไง ร, ร้อนเพราะเพราะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งราคะจะไม่ร้อนได้ยังไงเพราะสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโทสะจะไม่ร้อนได้ยังไงสิ่งเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง เราจะเรียกว่ามันเย็นได้ยังไง <c oughs> แล้วก็วัตถุเหล่านั้นเนี่ยนะเป็นที่คือตัวที่เป็นชาติชรามรณะ <c oughs> เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาตเนี่ยนะสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นของร้อน <c oughs> ก็มีเวลาก็ไปสาธยายบ้างนะ สำหรับช่วงนี้ก็อยากให้สนทนากันต่อไปเช่นพอถ้าพูดยาวเลยทีเดียวนี้เดี๋ยวจะแย่เนี่ยนะก็พักสักครู่ก็ยังดี ถ, ถ้าถ้ายังไม่พักก็สนทนากันก่อนก็ได้ถ้าอาจารย์ถ้ากราบเรียนท่านอาจารย์นะมโนธาตุนะมโนธาตุเนี่ยมีสัมปติชนะสองคะ ปัญจทวาราวัฒนาจิตเป็นเจอหนึ่งาเป็นหนึ่งสองสแล้วก็สันติรณะ น, นี่เป็นมโนวิญญาณธาตุสันติใช่สันติรณะวัฏพันะเป็นต้นนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุเจรพรเป็นมโนวิญญาณธาตุที่จริงพระพระพระพระพระพุทธเจ้าท่านก็จําแนกแจกทำจําแนก เปิดเผยแ ต, แต่งตั้งเปิดเผยมากมายเลยนะคะว่าอย่างจิต ด, ดวงเดียวเนี่ยถ้าสามารถที่จะแยกเป็นได้ทั้งแปดสโดยตัว ย, ยอ่อแล้วก็ร2 1ยอ็ดโดยพิสดารใช่ไหมคะคือถ้าถ้ากล่าวแบบนั้นเลยไหมแปด้าหรือ121ยอ็ก็ยังเรียกว่าย่ออยู่ดียัง่ อ, งยออยู่ดีอนี้ยังย่ออยู่ดี พอถ้าพูดตามสภาวะที่มันเกิดขึ้นนะหาประมาณไม่ได้ไม่สามารถพูดได้จบสิน้นมันเยอะจริงๆนะถ้าพูดตามสภาวะนะเอ่อพูดตามสภาพที่มันเกิดตามเป็นจริงเนี่ยแต่ที่แย่ยอออกมาก็เหมือนกับว่าย่อน้ำในทะเล ว, ว่ามันมีรถเดียวคล้ายๆแบบนั้นนะย่อว่าเออแต่ละอย่างนี่มันเป็นอย่างนี้ อย่างเหมือนกับว่าย่ออะไรนะย่อแบบเออคนในโลกนี้มีอยู่กี่ทวีปก็ว่าไปเนะี่ยพูดแบบย่อๆนะแต่ถ้าจําแนกไล่เป็นรายคนรายคนก็โอ้เรื่องมันยาวว่านั้นเรื่องจิตก็เหมือนกันจิตนั้นการนับแบบแปดสิบ89้าหรือหนึ่งยิบอดวงนั้นก็เรียกว่าเป็นการพูดแบบแบบย่อแล้วนี่ยแบบย่อใชออ่ส่วนในในกรณีนั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสในในจิตตานุปัสสนาก็ไปฟังดูกันแล้วกันว่ามันพิสดารมากนะเนะี่ กุยแล้วเรื่องมันยาวอ ย, าอย่างเรื่องธาตุนะฮะธาตุประธานโทษเรื่องธาตุเนี่ยมักจะนึกถึงแกเฉพาะตัวเองไม่ได้นึกภายนอกว่ า, วาจะขรุธาตุจะกรุจักรุธาตุรูปธาตุจักรุวิญญาณธาตุนึกนึกเป็นกลางกลางไม่ได้นึกว่าเออถ้าถ้าถ้าคนนี้เป็นคนคนนอกนอกจากเราอ่ะคนอื่นนะฮะ ไม่ไม่ค่อยได้เดืเนเป็นการการพิจารณาพวกนี้เนี่ยนะการใส่ใจโดยความเป็นธาตุเนี่ยอย่างไรเสียการพิจารณาก็ต้องพิจารณาทั้งภายในและภายนอกอยู่แล้วมันเพราะกิเลสเวลาเกิดขึ้นก็ไม่ได้เลือกว่าภายในหรือภายนอกเพราะทั้งภายในทั้งภายนอกก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอยู่ดี ส่วนบุคคลอื่นมีอะไรจะจะมาสนทนากันัหมถ้าไม่มีอะไรสนทนานี่นะก็มาอยากจะให้สาธยายสังขานุสติเพราะว่าพระสงฆ์ทั้งหลายคือผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จริงๆเราก็จะได้เห็นชัดว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมีผู้ที่เขาปฏิบัติได้ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนที่เรากำลังศึกษาเรียนอยู่นั่นคือคือใครคือสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่เข า, เาวิเคราะห์วิจัยไข้ค ร, ครวญสิ่งเหล่านี้ จนละเอียดก็สามารถที่จะตรัสรู้มรรคผลได้นนะมันก็เปิดในในสังขานุสติร่วมสังสาธยายสังขานุสติก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยนะก็มาคิดดูนะว่าปฏิบัติต้องปฏิบัติดีจริงๆนะจึงจะคู่ควรแก่คำยกย่องคำสันเสริญดังที่เราทั้งหลายได้กล่าวไปงนั้นการปฏิบัติหรือการทำปริญญาการพิจารณาในธรรมะในพระศาสนานี้ มันจะต้องคู่ควรแก่กันเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยเข้าใจคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่เป็นอย่างไรเนไหมไม่เข้าใจทีนี้ถามว่าแล้วตอนนี้เข้าใจว่าอย่างไรก็เข้าใจว่าการพิจารณาการปฏิบัติด้วยกายวาจาใจเนี่ยให้คู่ควรแก่คํายกย่องตามที่เราทั้งหลายกล่าวสรรเสริญไปเห็นไหมผู้ที่ปฏิบัติ จนสมควรแก่แก่การยกย่องได้ขนาดนี้ท่านทําอย่างนั้นได้อย่างไรนี่น่ะอันนี้คือความน่าอัศจรรย์ของพระธรรมเพราะว่าบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นพระอริยเจ้าก่อนหน้านี้มาท่านเป็นพท่าริยะมาก่อนหรือเป็นมาก่อนไหมไม่เป็นแล้วที่ท่านเป็นพท่าริยะท่านทํำยังไงท่านจึงได้เป็นพระอริยะละก็เพราะท่านเหล่านั้นได้เจริญ สมณธรรมสมณธรรมทั้งหลายก็คือวิสุทธิทั้งหลายคือหนึ่งสีลวิสุทธิสองจิตตวิสุทธิสาทิฏฐิวิสุทธิอย่างที่เรากําลังเรียนนี้เรียนอะไรทิฏฐิวิสุทธิอยู่เนี่ยถ้าเจริญทิฏฐิวิสุทธิได้บริบูรณ์จะนำมาซึ่งกังขาวิตรณะวิสุทธิถ้าได้กังขาวิตรณวิสุทธิก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่สาคัญของ มัคคามัคยาณทัศนวิสุทธิแล้วก็วิสุทธิข้อต่อไปก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิส่วนสุดท้ายก็คือญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยแบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับโสดาปติมาร์กระดับสกทาคามิมาร์กระดับอนาคามิมาร์แล้วก็ระดับอรหัตตมาร์ผู้ที่เป็นพาธฐานก็ควรแกการยกย่องสรรเสริญทั้นการศึกษาของเราทั้งหลาย โดยปรารภอธิศีลสิกขาที่จิตตสิกขาที่ปัญญาสิกขาอาธิปัญญาสิก ข, ขาได้ห้าได้ห้าวิสุทธิตั้งแต่วิสุทธิเป็นต้นไปดังนั้นการอบรมไตรสิกขาเหล่านี้นี่แหละจึงทําให้บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ประเสริฐเนี่ยนะเป็นผู้ประเสริฐดังนั้นบุคคลที่จะเป็นผู้ประเสริฐได้จะต้องปฏิบัติอยู่ในธรรมอันประเสริฐศีลอันประเสริฐสมาธิอันประเสริฐและ ปัญญาอันประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐจะรอบรู้ในกองคำทั้งหลาย น, นะจะรอบรู้กองขันทั้งหลายกองธาตุทั้งหลายรอบรู้ในกองทุกข์ทั้งหลายสามารถแยกแยะวิเคราะห์เบื้องต้นเลยการวิเคราะห์ในกองทุกข์ดังที่เราเรียนไปเนี่ยนะเพื่อถอนสตตวิปลาสก่อนอันดับแรกเนี่ยนะสตาวิปลาสหรืออัตตาวิปลาสความสําคัญว่าเป็นอัตตา เนี่ยนะความสำคัญว่าเป็นสักความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนไอ้คำว่าตัวตนในที่นี้เนี่ยนะหมายความว่ายัางไงตัวหรือตัวในภาษาไทยใช่ไหมตนีนภาษาอะไรมีเหรอครับมีนะคือตัวกับตนนี้ก็เป็นภาษาไทยนั่นแหละแต่ถ้าเป็นบาลีเลยเขาเรียกว่าอัตตา อัตตาเนี่ยนะคนไทยคนไทยที่พวกที่ถือว่าวิญญาณล่องลอยไปนะตายแล้ววิญญาณมันจะล่องลอยไอ้พวกนั้นแหละลักษณะของของอัตตาหรือของตัวตนที่ที่ที่หมายถึงเนี่ยนะแต่เราทั้งหลายไม่ได้เข้าใจแบบนั้นทีนี้ถึงตัวเองไม่เข้าใจแบบนั้นแต่ก็สติปัญญาไม่ได้รับการอะไรนะไม่ได้รับการอบรมไม่มีการฝึกฝนและพัฒนาให้ปัญญานิคมกล้า มองเห็นผู้ใดก็ใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะคิดถึงอารมณ์อะไรก็ใส่ใจโดยความเป็นขันธาตุอายตนะนึกถึงเทวดาปั๊บฝันหวานนลฝันว่ายังไงไม่ใส่ใจว่าขันธาตุอายตนะหรือคิดถึงที่ไหนที่เราเคยไปเนี่ยนะที่เราเคยเที่ยวที่เราเคยไปก็ใส่ใจว่าสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดก็คือขันธาตุและอายตนะพบใหมต่ต่อไปของเราก็คือ ขันธาตุอายตนะลากไอความเข้าใจคือความเข้าใจการใส่ใจว่าขันธาตุอายตนะไปใส่เอาไว้กับทุกอารมณ์จนกว่าอารมณ์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในภพภูมิต่างๆก็คือขันธาตุอายตนะแต่เป็นที่ตั้งโวหารเรียกว่าคนว่าสัตว์ว่าเขาว่าเราคือเป็นที่ตั้งแห่งโวหารเฉยๆเหมือนอย่างว่าธาตุแท้ของตึกทุกตึกคืออะไร คืออิฐหินปูนทรายอย่างั้นเถอะนะอิฐหินดินปูนทรายเนี่ยที่มาผสมรวมๆกันนั่นแหละเรียกว่าตึกจะแต่จะทำทรงไหนออกแบบแบบไหนมาก็ตามพื้นเพเบื้องลึกๆของของตึกทุกตึกก็คืออิฐหินปูนทรายเหล็กเนี่ยนะที่มามัดมัดรวมๆกันฉันใดทุกภพภูมิในวัฏฏะทุกภพทุกภูมิก็คือขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละทุกอารมณ์เลยนะแต่ว่าผู้ที่ไม่ได้อบรมปัญญา อุ้ยนึกไปสามชั่วโมงแล้วเออขันขันใช่ใชนะ่ตอนพูดทีก็นึกได้ทีอย่างเงี้ยนะคือไม่ชํานาญในการใส่ใจหรือการใคร่ครวญว่าขันธาตุอายตนะอันนี้แหละที่ที่พระองค์ต้องสอนให้เจริญเจริญความเห็นอันนี้ให้ดีๆจนเป็นความเห็นที่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครเปลี่ยนได้ก็คือขันธาตุอายตนะนะจะไม่มีการเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเป็นอื่นเลยก็ใส่ใจว่า ขันธาตุอายตนะซึ่งเราทั้งหลายจริงๆแล้วก็ฟังก็พอเข้าใจแต่ว่าไม่ค่อยได้เจริญในตรงนี้ที่นี่น่าแปลกใจเพราะเราไม่พยายามแผ่ ค, ความเข้าใจความรู้ในขันธาตุอายตนะในทุกๆเรื่องในทุกๆอารมณ์ว่าอารมณ์ทุกอารมณ์เบื้องทุกเรื่องเบื้องลึกๆของทุกสิ่งคือขันธาตและอายตนะขันมีกี่ขันมีห้าขันอายตนะมี สิองอายตนะธาตุามีสิบแปดธาตุจักขู่ธาตุเป็นต้นก็ค่อยๆไล่แล้วจักขู่ธาตุมีกี่รูปมีรูปเดียวจักขู่ธาตุมีรูปเดีย ว, ยวใช่ไหมแต่ถ้า ส, สัมพัลระจักขุมีห้าสิบสี่รูปถ้าจาักขู่ธาตุคือจักขู่ภาษาธาอันเดียวนโะสตะาสีสีก็คือสีอย่างเดียวแต่ถ้าเอารวมๆ ม, ม, มาแยกย่อยออกไปเนี่ยนะ พูดแบบสะสมภาระเนี่ยจึงกระจายออกเป็นห้าสิบสี่รูปถ้าจักขู่ภาษาถ้มีอยู่รูปเดียวนี่นะรูปประทัดแล้วก็ไม่แยกว่ารูปประทัดเนี่ยรูปตรงนั้นอนะ่ะเช่นว่ารูปในดอกไม้สีในดอกไม้มีกี่รูปรวมทั้งหมดเลยนะมีแปดรูปคืออวินิโผครูปแปดเป็นสีที่แปะอยู่กับอวินิโผครูปแปดสีแม้กระทั่งหนังสือพวกเข้าของเครื่องใช้อะไรที่เรารับรู้ทั้งหมดเป็นสีที่มี มีรูปอยู่แค่แปดรูปนั้นก็ใส่ใจใช่ไหมแล้วการเห็นน่ะการเห็นน่ะตากับสีเกิดการเห็นขึ้นจากขูวิญญาณเนี่ยนะมีธรรมธาตุประกอบอยู่เจ็ดตัวอะไรธรรมธาตุที่ประกอบกับจากขูวิญญาณคือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิ ต, ตินทรและมนสิการ ที่เกิดร่วมกับจักรคูวิญญาณธาตุถ้าสาธยายให้เต็มนะจักรคูธาตุรูปธาตุจักรคูวิญญาณธาตุและธรรมธาตุเนี่ยและธรรมธาตุเมื่อธาตุสี่ธาตุประชมกันเรียกว่าการเห็นธาตุสี่ธาตุประชมกันเรียกว่าการเห็นทวนอีกครั้งหนึ่งนะจักรคูธาตุรูปธาตุจักรคูวิญญาณธาตุและธรรมธาตุประชมกันเรียกว่าการเห็น โสตธาตุสัทธาตุคือเสียงโสตวิญญาณธาตุและธรรมธาตุประชมการเรียกว่าการได้ยินคานาธาตุขันธาตุคานวิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่ประกอบเรียกว่าการรู้กลิ่นเรียกว่าการรู้กลิ่นชิวหาธาตุรัสธาตุชิวหาวิญญาณธาตุพร้อมกับธรรมธาตุคือเจตสิกที่ประกอบเรียกว่าการรู้รสรู้รส รับกระทบโพธาภะทุกแห่งในร่างกายเลยนะอาศัยกายโพธาภะเกิดกายธาตุเกิดกายะวิญญาณธาตุกายธาตุโพธาภะธาตุกายวิญญาณธาตุและธรรมธาตุประชุมกันเรียกว่ารับกระทบโพธาภะส่วนมโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุทั้งที่เป็นรูปทั้งที่เป็นนามเนี่ยนะธรรมธาตุแบ่งเป็นสองส่วนคือจิตเออขออภัยธรรมธาตุที่เป็นรูป กับธรรมธาตุที่เป็นเจตสิกทั้งหลายะนะโซนวิญญาณธาตุเนี่ยจิตเนี่ยแบง่งออกได้วิญญาณธาตุเจประกา ร, ก, ร, ราการสมรรถกาญปุกคุณ เ, เจ้าเจ้าค่ะธรรมธาตุนี่ประชุมทางปจัจจทวานได้หรือเจ้าคะอ่าได้เพราะว่าธรรมธาตุคือเจตสิกทั้งหลายธรรมธาตุเนี่ยคือเจตสิกทั้งหมดนี่เป็นธรรมธาตุอ่าเช่นภาษาที่เกิดร่วมกับจกักรวิญ ญ, ญาณเนี่ยนะ เวทนาสัญญาเจตนาเอกค ะ, ะตาชีวิตินทรีย์มนณสิการที่เกิดร่วมกับจักรคูวิญญาณเรียกว่าธรรมธาตุคือธาตุสี่ธาตุประชมการเรียกว่าการเห็นอย่างนั้นธรรมธาตุกับธรมรมลมนี้แตกต่างกันอย่างไงเจ้าค่ะพระคุณเจ้าธรรมธาตุแตกต่างจากธรมรมณมอย่างไรบอกต่างกันมากคือมีส่วนต่างแล้วก็มีส่วนเหมือน อย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่รูปไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธะะที่เหลือเป็นธรรมารมหมดคิดง่ายๆอย่างนี้นะไม่ใช่สีไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่รสไม่ใช่โพธะะที่เหลือทั้งหมดเป็นธรรมารมธรรมารมส่วนธรรมทาธาตุคืออะไรเว้นจากธาสิบเจ็ดธาตุเรียกว่าธรรมมาธาตุธาตุมันมีสบปดธาตุใช่ห ลบออก17เหลือที่เหลือโดดๆเนี่ยนะไล่ออกไล่รูปธาตุจากครูธาจากครูธารูปธาตุจากค ร, รกูวิญญาณธาตุไล่อย่างเงี้ยตัดออกให้หมดเหลือ17เหลืออันเดียวนั้นคือธรรมธาตุแต่ถ้าธรรมรมก็คือลบออก5คือลบสีเสียงกลิ่นรสโพธาภัตที่เหลือจากนั้นแหละเรียกว่าธรรมรมนะฮะธรรมรมเนี่ยกว้างกว่าธรรมาธรรมาตุเจริญพร แต่ทีนี้ธรรมธรรมาธาตุในที่นี้เนี่ยพูดในลักษณะสัมปยุตรธรรม น, นะเช่นเจตสิกทั้งหลายเกิดร่วมกับจกักรวิญญาณธาตุด้วยอำนาจสัมปยุตรธรรมแปลว่าประกอบร่วมกันเกิดด้วยการคละเคล้ากันไปเนี่ยนะทีนี้นะนาธาตุเหล่านี้เมื่อเราใส่ใจให้ดีๆเนี่ยนะพื้นฐานให้ดีๆการวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้เพื่อจะได้รู้ถึงปัจจัยเนี่ยนะซึ่งปัจจัยของสิ่งเหล่านี้จะได้กล่าวในวันต่อๆไป น, นะ่นนะ แต่ว่าในเบื้องอพื้นเพที่อยากจะทําความเห็นให้ตรงในชีวิตที่เป็นจริงก็คือรับอารมณ์ทุกอารมณ์แล้วใส่ใจโดยความเป็นธาตุทีนี้พอใส่ใจโดยความเป็นธาตุนี้มาต่ออายตนะสักหน่อยหนึ่งนะต่ออายตนะอายตนะทั้งหลายมีสิบสองใช่ไมสิบสองมีอะไรบ้างพระพุทธเจ้าตรัสอยังไงนะ ท, ทวารทอะไรนะเ ป, เ, ปนเป็นบาลีเนี่ยนะ ทวาทายตนานี้เออใช่ทวาทายตนานี้จักขวายตนารูปายตนางนะก็อายตนะทั้งหลายมีสิบสองคือจักขวายตนะอายตนะคือตาอายตนะคือรูปคือสีนะอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสอายตนะคือกายอายตนะคือ ผลิตภัอายตนะคือใจอายตนะคือธรรมารมณ์ทั้งหลายธรรมายตนะเนี่ยนะนี่คําพูดคําว่าอายตนะพูดเพื่อประโยชน์อะไรอายตนะโดยโดยสับแปล ว, ว่าเครื่องสืบต่อกันขึ้นมันเหมือนอะไรนะถ้าขั้วบวกขั้วลบมาชนกันแล้วเกิดอะไรเกิดการสปาร์คขึ้นใช่ไหมมันช็อตแล้วชันใดก็ดีถ้าตากับสีมามากระทบกันอะไรเกิดขึ้นจิตเจตสิกทั้งหลายก็เล่นไปนามธรรมา ท, ทั้งหลายก็ ก็เล่นไปใช่ไหมอย่างเช่นบอกถ้าไม่เห็นไม่คิดหรอกก็แสดงว่ามีตามีสีปับความนึกคิดก็ไหลทะลักออกมาเพราะฉะนั้นถ้ามองตากับสีเนี่ยจะเป็นบ่อก็ได้ไม่ผิดเป็นบอ่อคือถ้าถ้าเป็นบอนะ่อเน้นน้าบ่อเสรมใครเคยขุดบ่อน้อําบ่อเสรมไหมน้ําบ่อเสรมเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าขุดถ้ามีบ่อปับน้ําก็ซึมออกมาฉันใดถ้ามีตามีสีเจตเจตสิกก็ซึมออกมา ออกมาว่าไม่ซึมหรอกทะลักเลยแหละไม่ใช่สักแค่ซึมเนี่ยนะแต่ถ้าพอได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยอาศัยหูกับเสียงก็จิตเจตสิกก็ทะลักไหลออกมาพอมีจมูกมีกลิ่นปับ๊บจิตเจตสิกก็ไหละทะลักออกมามีลิ้นมีรสจิตเจตสิกก็ทะลักออกมากายกับโพธพภะจิตเจตสิกทั้งหลายก็ทะลักออกไปพอไ ด, ได้รับได้รับอารมณ์เรื่องคิดโหคิดไปยาวเลยนี่ก็เหมือนการอายตนะเนี่ยแปลว่าเป็นบ่อกเกิดของจิตและ เจตสิกเนี่ยนะเป็นบอ่อเกิดเขามาไปที่พระเขียวแก้วเนี่ยนะพระเขี้ยวแก้วหรือพระาธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นอายตนาที่ดูดจิตเจตสิกเนี่ยไปไปเท่าไหร่รู้ไหมว่าวันหนึ่งเป็นพันวันหนึ่งเป็นหมื่นคนใช่ไหมเป็นหมื่นคนอ่ะนะคิดดูนะเป็นที่จิตเจตสิกไหลไปเพื่อที่จะนึกถึง พระเกี้ยวแก้วมีพระเกี้ยวแก้วเป็นอารมณ์พระเกี้ยวแก้ว อ, องค์นั้นเนี่ยนะเป็นอายตนะเพราะดึงดูดอะไรจิตเจตสิกเข้าไปรับรู้จิตเจตสิกไปประชมที่ที่พระเกี้ยวแก้วเท่าไหร่เนี่ยนะพเพราพระเกี้ยวแก้วจึงเป็นอายตนะอายตานะเพราะเป็นที่จิตเจตสิกเนี่ยไหลไปเพื่อจะรับรู้ไปไปประชมกันนะจุดนั้น ทีนี้ตาของเราก็ชื่อว่าอายตนะนะเพราะมันไหลมาเราดูเรื่องเดียวนะอุยเราคิดอยู่ตั้งนานเนี่ยแสดงว่าจิตเจตสิกไหลทะลักออกมาทางตาแล้วก็สี ส, สีนั้นสีสีเดียวเนี่ยจิตก็ไหลทะลักไปในสีอันนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าอายตนะอายตนะแปลภาษาหนึ่งเรียกว่ารังก็ได้รังรังรังเช่นรังพึ่งรังมดรังปลวกเนี่ยนะก็คือถ้ารังนี่แสดงว่าเช่นรังพึ่งเพราะอะไรมันชุกชุมพึ่งชุกชุม ถ้ารังปลวกปลวกชุกชุมถ้ารังมดมดชุกชุมฉันใดตากับสีเป็นรังของจิตและเจตสิกตาเป็นรังที่เรียกว่าเป็นวัตถุกับทวารสีเป็นรังที่เป็นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ก็จิตเจตสิกไหลทะลักเพราะในสิ่งสิ่งเดียวเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างว่าพระเขีื่องแก้วเนี่ยคนไปดูวันแล้วเป็นหมื่นคนถามว่ารองเป็นอา ร, รมณปัจจัยของจิตเจตสิกเท่าไหรไ่นะเพราะเป็นที่เกิดแห่งจิต เจตสิกที่เป็นศรัทธาจิตเจตสิกที่เป็นศรัทธาวิริยะเป็นจิตเจตสิกที่เป็นไปกับสติเป็นไปกับปัญญาเป็นต้นเป็นที่รองรับศรัทธาแห่งสาธุชนหรือเป็นที่รองรับศรัทธาของพุทธบริษัทเพรา ะ, ะนส้ินสนีเนี่ยไปประชุมที่พระเขี้ยวแก้วเนี่ยมากเนนะเพราะพระเขี้ยวแก้วเป็น อายตนะวันอายตนะเนี่ยคือที่ประชุมวันอายตนะใดประณีตอยู่ที่ใดนะจิตเจตสิกจะไปประชมในสีประเภทนั้นนั้นอันนั้นสีในโลกสีใดประณีตดีหน่อยนะจิตเจตสิกจะหลังไหลไปในที่สีนั้นๆเช่นที่ไหนบ้างเช่นจัดแสดงสินค้าเป็นต้นเนี่ยนะโอ้โหถ้าอายตนะเยอะเยอะเนี่ยจิตเจตสิกไปประชมมากสวนดอกไม้ก็จิตเจตสิกไปประชมมากเลย ไปประชมไปเพื่อจะดูเพราะอายตนาคือสีจิตก็ท่องเที่ยวไปอายตนะคือตาก็เป็นที่สอดส่ายของจิตและเ จ, ต, ะจตสิกทั้งหลายพันธ์อายตนะแปลว่าที่ประชมแห่งจิตและเจตสิกมันประชุมทำไมเออนะมาประชุมกันทําไมนะประชมสร้างวัตตะก็ทวานตาก็ประชุมสร้างตานั่นแหละมันมาประชมสมมติการเห็นนะ่ะมันเห็นเมื่อไหร่ปั๊บมันประชุมเพื่อสร้างตา การได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยจิตเจตสิกหลั่งไหลมาเพื่อประชมกันทวารหูเพื่อสร้างหูต่อไปรู้กลิ่นเนี่ยนะจมูกกับกลิ่นหจิตเจตสิกไหลเวียนประชมกันเยอะแยะเพื่อสร้างสร้างจมูกมันกงเรียกว่าอายตนะใช่ไหมก็ถ้าลิ้นเนี่ยลิ้นกับรสทับกระทบกานนูอร่อยอย่างเพลิดเพลินประชมกันทําอะไรจิตเจตสิก ประชุมกันสร้างลิ้นต่อไปครับกระทบโพธพะก็ประชุมกันเพื่อสร้างกายนื้คิดคิดไปเพื่อสร้างสร้างใจสรุปว่าสร้างวัตตะมันประชุมเพื่อสร้างวัตตะอย่างเดียวทำยังไงหนอะจะพลาดตาจากสีได้ทำยังไงพลากหูจากเสียงพลาดจมูกจากกลิ่นพลากลิ้นจากรสพลากกายจากโพธพะพลากใจกับอารมณ์ทั้งหลายได้ทำยังไง ก็ต้องมีนิพานเป็นอารมณ์จึงจะพรากสิ่งเหล่านี้ได้เพราะว่านิพานเป็นที่พรากอายตนะทั้งมวลเหล่านี้ออกไปเพราะนั้นแต่ว่าก่อนที่จะเห็นนิพานจะต้องวิจัยพวกอายตนะเหล่านี้ให้เป็นอัให้เข้าใจเป็นอย่างดีนนให้เข้าใจเป็นอย่างดีสมมุติว่าถ้าตากับสีเนี่ยนะตาอายตนะคือตาหสยตนะคือสีจักมานายตนะก็เกิดขึ้นธรรมายตนะก็เกิดขึ้นอันนั้มายตนะก็ทําหน้าที่สร้างวัตฏะต่อไป มันทุกครั้งพูดสรุปย่อๆง่ายๆว่าทุกครั้งที่ตาเห็นสีก็คือการสร้างตาทุกครั้งที่หูได้ยินเสียงคือการสร้างหูทุกครั้งที่รู้กลิ่นคือการสร้างจมูกรู้รสคือการสร้างลิ้นรับกระทบโพธภาภะทั้งร่างกายทั่วกายคือการสร้างกายคีดไปเพื่อสร้างใจโอ้งี้สบายมากเลยนะไม่ต้องกลัวว่าจะสูญ ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะสูญปัญหาว่ามันไม่รู้จักจบนี่ดนะไม่ต้องกลัวว่าวัตามันเจริญเติบโตไปอย่างนี้แลจากพบหนึ่งสูพบหนึ่งสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าอายตนะเพราะสื่เนื่องสังสารทุกให้ยืดยาวเป็นไปโดยไม่มีไม่มีจบแล้วก็น่าแปลกว่าอายตนะเป็นที่พอใจมาก การประชุมทวารตาเนี่ยนะการเห็นเนี่ยอุ้ยเป็นที่พอใจจริงๆการประชุมทวารหูก็เป็นที่พอใจทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจก็เป็นที่พอใจอันนั้นแหละตัวพอใจตัวนั้นแหละคือตัวสร้างวัตตะตัวสร้างวัตตะแต่ว่าสรุปอยากจะกล่าวในทิฏฐิวิสุธทธิเนี่ยนะก็คืออาหิยตนะทั้งหลายมาประชุมกันก็คือบ่อกเกิดของจิตและเจตสิกในทวารตา บอกเกิดของจิตเจตสิกในท ว, ว, วารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายและทวารใจตาใครที่นิยมพิจารณารูปธรรมมากใส่ใจอายตนะนี้จะเห็นอายตนะคือตาอายตนะคือสีเป็นรูปธรรมที่เหลือจากนั้นเป็นนามหมดเลยอายตนะคือหูอายตนะคือเสียงเป็นรูปธรรมที่เหลือเป็นนามหมดเลยอายตนะคือจมูกอายตนะคือกลิ่นเป็นรูปธรรมที่เหลือเป็น นามหมดเลยอายตนะคือลิ้นอายตนะคือรสเป็นรูปธรรมที่เหลือเป็นนามมธรรมหมดเลยอายตนะคือกายอายตนะคือโพธิภาพเป็นรูปธรรมอายตนะที่เหลือเป็นนามมธรรมหมดเลยแต่มนายตนะเป็นนามมธรรมธรรมายตนะเป็นรูปครึ่งหนึ่งเป็นนามครึ่งหนึ่งคือรูปที่เป็นอายตนะนี่มีอยู่สิบครึ่งนามที่เป็นอายตนะมีอยู่หนึ่งครึ่งธาตุเจ็ดครึ่ง ธาตุเนี่ยเจ็ดครึ่องแต่ถ้าอายตนะมีอยู่หนึ่งครึ่งเป็นรูปซะสิเอครึ่งก็บอกว่าวิธีคิดอย่างนี้นะเขบอกว่าถ้าใครชอบพิจารณาขันห้าคนนั้นถนัดพิจารณานามธรรมใครที่พิจารณาอายตนะมากคนนั้นถนัดพิจารณารูปธรรมใครที่พิจารณาธาตุามากคนนั้นถนัดทั้งรูปทั้งนามยอมชอบอันไหนธาตุนะโอ้โหอยากรู้ทั้งรูปทั้งนามเลยนะสาธุเอาหมดเลย จริงก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ก็ก็แล้วแต่จะขึ้นต้นในส่วนไหนก็มันพิจารณาะว่าจริงๆแล้วทุกทวารเนี่ยก็คืออายตนะประชมกันวันที่ไปที่อินเดียเนี่ยไปเห็นไอ้สาราดอกบัวนั่นน่ะนะบอกโอ้ที่นี่นะอายตนะลังเลมาเนี่ยสีอันนี้เป็นอายตนะจริงๆเพราะจิเะจตเจตสิกลังเลไปเพื่อเพื่อจะเห็นสิ่งเหล่านั้น สัญสีทั้งหลายเนี่ยเป็นอายตนะเสียงทั้งหลายก็เป็นเป็นอายตนะเพราะจิตเจตสิกมาหลั่งไหลมาประชมมาท่วมทับโดยเฉพาะอายตนะคือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยนะจิตเจตสิกมารวมอยู่แค่ไหนรวมมากจริงๆเพราะเป็นอายตนะที่ประเสริฐประเสริฐเพราะช่วยเหลือสัตว์ให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ได้เป็นอายตนะที่สัตว์ทั้งหลายไปประชมกันแล้วพ้นทุก์แต่อายตนะที่เหลือเป็น นะมีแต่รองรับซึ่งวัตทุก์เพราะฉะนั้นธรรมายตนะคือพระพุทธคุณเป็นต้นนี่จึงเป็นควรให้จิตเจตสิกไหลไปแล้วก็มีอารมณ์ให้เลื่อนไปเป็นไปบ่อยๆกับสิ่งเหล่านั้นนั่นเป็นปัจจัยแห่งความสิ้นทุกเนี่ยนะก็ะถ้าจะเลือกอายตนะก็คือขอเลือกอายตนะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพราะอายตนะนั้นเป็นเป็นที่ทําให้พ้นจากกองทุกวัตทุกข์นั่นเอง นก็สายใจโดยความเป็นอายตนะเนี่ยนะวันนี้ก็สมควรก่เวลา